แฟรี่แห่งหินผาของเมอร์ลินเนิ่นนานกว่าสศตรวรรษครื่งที่ผ่านมายังมีชายคนหนึ่งทำงานอยู่ในฟาร์มสกอ ต, ติสชายคนนี้ถูกเรียกว่าออร่าแมนซึ่งหมายถึงชายที่ทางานแปลกๆทั้งหมดให้กับเจ้านายของเขาเย็นวันหนึ่งเจ้านายได้ส่งออร่าแมนไปที่ท้ายสวนเพื่อ น, นำทานหินทั้งหมด ที่มีอยู่ที่นั่นมาเขารับคำสั่งจากเจ้านายอย่างกระตือรือร้อนและทำตามที่เขาบอกเขาผิวปากไปได้วยขณะที่ทำงานหลังจากหมดชั่วโมงการทำงานเขาขุดฐานหินออกมาได้เป็นจำนวนมากท่านใดนั้นมีบางสิ่งยืนอยู่ข้างหน้าเขาเขาพบกับผู้หญิงตัวเล็กที่สุดที่เขาเคยเห็นมา จะว่าไงถ้าพวกเราไปดึงหลังคาออกมาจากบ้านของพวกนายในฤะดูใบไม้ร่วงนี้อะไรนะเธอเป็นใครกันโอ้ไม่ตกสงสนว่าฉันเป็นใครนะเอาฐานหินทั้งหมดที่นายออกมากลับไปไว้ที่เดิมแล้วห้ามมารบกวนพวกเราอีกนะอย่าเชื่อไม่เลยเออออครับครับจะเริ่ไปเดี๋ยวนี้แหละออร่าแมนที่ตกใจกลัวทําตามที่เธอบอกเขาเอาฐานหินกลับลงไปไว้ที่เดิมจากนั้น เขาก็รีบไปหาเจ้านายของเขาในฟาร์มท่านครับท่านครับเราต้องห้ามไปที่ส่วนนั้นของสวนอีกนายพูดเรื่องอะไรมีแฟรี่อยู่ที่นั่นวันนี้พวกเขาได้เตือนพวกเราไว้ว่าห้ามแต่ต้องสากพืชพวกนั้นอีก <c oughs> นี่นายเป็นอะไรไปใครจะเชื่อเรื่องแฟรี่แบบนี้กันนายกล้ามากนะที่หาข้อแก้ตัวแบบนี้กับความขี้เกียจของนาย เชื่อผมเถอะนายท่านผมเห็นหนึ่งในพวกเขาตอนที่ผมอยู่ที่นั่นเธอตัวเล็กมากพอได้แล้วเมือนนายจะเพลอหลับไปแล้วฝันสิยไม่ว่าตอนนี้ไปจัดการงานของนายให้เสร็จซะถ้าไม่งั้นท่านคงไม่มีทางเลือกนอกจากไล่นายออกเข้าใจนะดังนั้นออร่าแมนจึงไม่มีทางเลือกนอกจากกลับไปขุดทานหินอีกครั้งหนึ่งเขาตัวสั่นและหวาดกลัวมากว่าแฟรี่จะปรากฏตัวขึ้นและลงโทษเขา แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนหลายวันผ่านไปหลายอาทิตย์หลายเดือนจนเกือบปีออร่าแมนก็รู้สึกไม่มีเรื่องอะไรผิดปกติเกิดขึ้นบางทีนายท่านอาจจะพูดถูกเราคงจะฝันไปน่าอายจังที่ไปพบเขาด้วยความตกใจกลัวแบบนั้นในที่สุดวันของฤดูใบไม้ร่วงก็มาถึงมันเป็นวันเดียวกับที่ออร่าแมนพบกับแฟรี่เมื่อปีก่อน ขอพิ่งเสร็จงานของเขาในวันนี้ผมไปได้หรือยังครับนายท่านได้สิท่านต้องขอบคุณนายมากที่ทํางานได้ดีเช่นนี้นี่คือรางวันเล็กน้อยตอบแทนนายเอานมนี่ไปบางทีเมียของนายอาจทําคัสตาร์เป็นอาหารให้นายวันนี้โอ๋อขอบคุณมากนายท่านขอบคุณมากครับดังนั้นออร่าแมนจะเดินทางกลับบ้านไป พรยาและลูกชายของเขาจะดีใจแค่ไหนกันนะที่ได้เห็นน้มขนาดนี้เขาผิวปากขณะเดินทางแต่ไม่นานเขาก็รู้สึกเหนื่อยล้ามากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมันน่าแปลกที่เขายังไม่ถึงบ้านอีกออร่าแมนรู้สึกง่วงนอนมากจนเขาไม่สามารถก้าวเดินได้อีกต่อไปเขานอนลงบนพื้นหญ้าและหลับไป เขาถูกปลุกขึ้นมาโดยบทเพลงที่ไพเราะที่สุดเกินกว่าที่เขาเคยได้ยินมาก่อนอนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยว่าไงในที่สุดนายก็ตื่นแล้วสินะลุกเร็วมาเต้นกับพวกเราออร์แมนมองเห็นแฟรี่น้อยมากมายกำลังเต้นรำอ๋อมาเร็วมาเต้นกับพวกเราเออฉันฉันเต้นไม่เป็นบทเพลงจะนำนายเองนะและแน่นอน บทเพลงนั้นงดงามมากจนออร่าแมนเคลิบเคลิ้มไปกับมันเขารู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในตัวเขาและไม่รู้ว่าเขาเต้นไปนานแค่ไหนเรากับว่าบทเพลงนั้นเล่นอยู่ภายในตัวเขากำลังเต้นผ่านตัวเขาจนทันใดนั้นกำลังจะเช้าแล้วนะทุกคนเร็วเขา้าแซรี่ทุกตัวหายไปใต้พื้นโลกและลากออร่าแมนไปกับพวกเธอด้วยที่ด้านล่างนั้น เขามองเห็นผู้คนตัวน้อยกำลังทำธุระของพวกเขาทำสิ่งที่แปลกตามากสำหรับเขามันแปลกมากที่นี่ทำให้เขาไม่อยากกลับไปที่บ้านของเขาเลยไม่นานแฟรี่ตัวแรกที่เขาพบก็มาหาเขานาะอยู่ที่นี่พอแล้วฐานหินที่นายเอาไปกำลังจะโตขึ้นอีกครั้งตอนนี้นายต้องกลับไปได้ใช่ขอบคุณนะแต่ถ้าหากนายบอกใครเกี่ยวกับที่นี่นายจะได้รับโทษแบบที่นายจินตนาการไม่ออกเลยละ่ะ ผมพผม ส, ส, สัญญาว่าจะไม่บอกใครเกี่ยวกับทุกอย่างที่ผมเห็นที่นี่ทันใดนั้นออราแมนก็พบว่าเขามาอยู่ในจุดที่เขาหลับอยู่นมก็ยังคงอยู่ที่เดิมเขาหยิบมันแล้วรีบกลับไปที่บ้านแต่นี่มันอะไรกันกระท่อมของเขาเปลี่ยนไปเด็กชายที่ดูแปลกตากำลังเล่นอยู่เขาเรีบไปหาภรรยาของเขาที่รัก นี่ใครกันคุณคุณหายไปไหนมาผมบอกไม่ได้แต่ว่าแต่คุณหายไปไหนมาตั้งหลายปีหลายปีเหรอนายท่านเพิ่งให้นมกับผมเมื่อวานนี้เองเมื่อวานงั้นเหรอเราตามหาคุณมา ก, กว่าเจ็ปีแล้วนะคุณทิ้งเราไปได้ยังไงทิ้งฉันกับลูกชายของเราลูกชายของเราเขาเป็นลูกของเราอย่างนั้นเหรอ แต่ผมเพิ่งไปเองนะเจปีเหรอถ้างั้นนี่คงเป็นการลงโทษของพวกเขาสินะแสดงว่าหนึ่งคืนของพวกเขาคือเจปีของที่นี่ออร์แมนได้รับการลงโทษของเขาแล้วบ่อยครั้งที่เราใช้พลังจากสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้โดยที่เราไม่รู้เลยว่าต้นไม้ดอกไม้และต้นยาที่แฟรี่อาศัยอยู่ถ้าหากเราโหดร้ายกับธรรมชาติ เราก็จะต้องถูกลงโทษบทลงโทษที่เราสมควรจะต้องได้รับมัน